ไม่ต้องห่วนฉันไม่เป็น คนนี้จะวันดีกับเธอเลืยไปอดทังไม่ว่ามันไม่เป็นเชิงฟังสุดท้ายเราต้องเึงจากกันแต่มันก็คงที่ใครได้เป็นก็สำคัญ อ, อยใยาเธอรู้ไว้ว่าหนึ่งคำว่าในใจฉันนั่งราเธอที่สุด แต่คนคนนี้ไม่เคยลืมเธอได้เลยจะเจ็บอีกอกี่ครั้งฉันก็จะทนถึงแม้ว่าฉันจะปว อยาให้เธอรู้ไว้ว่าหนึ่งคำว่าในใจฉันนั้งรอเธอเที่สุดเลยคนคนน